You from Indonesia? Indonesia. Oh, uh, we are i n d i a n i g h How many of you are here? Six. Six. Six. How long you staying? Uh, How long you staying? f o u r days. <coughs> Four days. Tomorrow you back to <coughs> uh, back to Hattai. Thank you. Okay. So what do y o u a c k c h a i y h a t o a t h a i h a n d a t r a Hat. h a a a t t a t Hat. Hat. Hat. h t t h a a t t h a a t a t a h โอ้ o ชคดี e ว่าอาจารย์อ t ญาก o ่ o เย่ฮ่ e ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า o ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่ We want bless. s t thing, we want bless. a s t thing. Have you read my book in English? y book. Uh, have you ever read? Have you never, never seen my books? Never. Can you read English? Yeah. How many books you want? How many people? How, how, many, how people? many people? Six. six, six, six okay. How m a n o talk English? Books. English books. You live together or yeah. Uh, yeah. how many family? Family. Yeah. One one family, so you can share them. Okay. a I c 嗯嗯嗯嗯 ，OK。啊<音>？他们有六个人。哦<音>，有六个人 ，OK。嗯。 You want more? You want more? Yes, I want. One more, one, one more. So how many families? Uh, five. Six. Five? five? Oh, five f a m i l i e s Five family. h a f a four. This is my daughter. Uh, okay. okay, one family and another five f a m i l i e s yeah. Another four. My brother, my uh, s <laughs> <my sister. laughs> So you need four more. Yeah. How many more? ไม่ได้รา้สึกด You do, you want to ask anything? Is that? No. No. Okay. <clears throat> Buddha the Buddha's teaching is. For you to follow. When you follow the Buddha teaching, you will become happy, and you will have a better life, better future. Because we have many more lives to come. When we when this body die. We do not die with the body. We have a spirit. The spirit go on and have a new body. So if you do good, then you have a good a new body that is better. And before you have a new body, you you you will go to heaven first. So you will. Only have happiness, but if you do bad, uh, if you do, if you kill people or animal, if you steal, if you uh, practice uh, what you call uh, adultery, or if you lie and cheat, or if you Drink alcohol, you will be doing bad things, and this will make you have bad consequence, bad result. When you die, you will go to animal realms and become animals. Uh, if worse, you go to hell. Before you come back and be born again as a human being. This is the way we we we go about until we can meet the Buddha and then follow his instruction. Besides from doing good and avoid d o avoid doing bad, you also have to stop your mind from. Having uh, desire, your desire is the cause of your rebirth. The desire to have a body will cause you to come and be reborn to have a new body. After you this body die, then your spirit will go and. Pay what it did. It will go and go to heaven, or go to hell, or go to become an animal. Then after that, you you'll come back and have a new human body. But if you can get rid of your desire, the desire to see, to hear, to smell, to taste, to touch. Then you don't have to have a body. Then you don't need to come back after you die, because if you come back, then you will have to get old, get sick, and die again. So being reborn i s n is bad. It's, it makes you suffer. The way not to suffer is not to is not to reborn, and not the way not for you for you not to reborn is to get rid of your desire, yeah. the desire for seeing, hearing, smelling, tasting, and touching things. Yeah. So this is. For people who don't want to reborn, they usually uh, become monks or becoming nuns. They stop their desire. Then, if they have no desire, when they die, the spirit don't come back and re reborn again. But if you still have desire, you will uh, come keep coming back and reborn. Yeah. And every time you you are born, you will then have to uh, face the the problem of being of having a a body. You have to work to feed, to clothe, right? to look after your body. Then you have then you will have to get sick and get old and die. So this is basically what the Buddha uh, teaches. He teaches to, if we still have to re, to come back and reborn, we should be reborn in a better place by doing good things, like giving money to help other people, do charity. We call dana. And then keep the precept, the sila, the panca sila. Then you won't have, you don't have to go to hell or don't have to be reborn as a human, as an animal. And if you don't want to be reborn again, then you have to practice paavana meditation. You have to stop your desire. When you sit in meditation, your mind stops thinking. Then your desire disappear. So if you can get rid of all your desire, then you don't want, you don't have to come back and be born again. So these are your your choices. You can do good, or you don't have to do good. You can do bad, or you don't have to do bad. You can meditate, or you don't have to meditate. If you don't do good when you die, you don't go to heaven. If you do bad when you die, you go to hell. You go be, you go and become animals. And if you can meditate and get rid of your desire, then you don't have to come back and. Be born again. So, can you do any of these three things? Can you keep the precept, the sila? Can you avoid from killing, stealing, committing adultery, lying, and drinking? Can you be? Can you do good things, like help other people, help those who are in need, yeah. share your money, your wealth, share your happiness with other people? Yeah. So this is what the Buddha teaches. Yeah. If you Want to have a better future, better life, then you should follow his teaching. And if you don't want to come back and be born again, then you have to practice meditation. Okay. So this is. What I can tell you today, i o w I have to talk in Thai now. <coughs> if you want to go back, you can. You, you can do. You can. If you want to sit and listen in Thai, you can also listen. But I cannot speak two thing two languages at the same time. Yeah. Uh, if you want to go back, I'll give you the anumodana. Blessing. Blessing. Oh, blessing, blessing, blessing. Blessing. Yeah, they're Okay, all of the okay, blessings. I'll, I'll give you the blessing. You... Anumodana. Okay. y a t h a v a r i k a h a p u r a p a l i p u r e n t i s a k a r a n g Evam eva ito t i n a n g petaṃ n a u p a k a p a t i i c h i t a n g pati t a n g tumhangi p a m eva s a m i c j ā d o สัพเพปุรินตุสังกปาจันโตปนะราโสยะตามะิจุติร a โสยาสัพพิติโยวิวัจ a ันโตสัพพะรุโควินัสตุมาเตภาวตะวันตรายุสุขิตายุโกภะ อภิวาทนสีฤิธสัญจังุทาปัญยีโนจตารุธรรมวัทานติอายุวโนุสุขังภาลัโอเค enjoy your stay in Thailand You go to other temple? No. No, just here, just one temple here. Okay. <laughs> มีอะไรไห ม, ม, ม น, บบหน่าโยงกันทำมาหลายช่วงมั ไ, งมมง ไ, ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลยังไงไม่ว่าถ้าว่าโยงเป็นคนดื้อไ่สนใคือ อาจารย์บอกว่าอยู่ในนั่งบอกแต่โยมกลัวนี้ถนัดมานี่นชื่ อ, อเหมือนเจ้าเวยเพราะว่าเจ็บเจ็บตลอดนะ เ, เป็นคนกลัวพื้นมมนี้างแต่นี้เพราะว่ามันไม่ได้ผลก็ตอนนี้ก็แบบ turning point นะันก็สับเปลี่ยนก็ไปเอาเก้าอี้มาซึ่งเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไม้สัก แต่ว่ามันระบายลมได้เพราะมันเหมือนกับไม้ระแนง mm. นะตัวใหญ่มามานะนะเอ่อตอนเริ่มนั่งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่แต่ว่าตั้งจนั่งสักสองชัวโมงนะะทุกที่ก็เบาะนะ้นนะฮะเบาะนั้เป็นอค์เเลยก็เออนั่งนั่งไปพอสักเตือบชอนะั่วโมง่ง สักสห้านาทีมันก็เริ่มเจ็บเริ่มเจ็บก็คนเอานะมันก็มีความอดทนพลังข้าแต่ว่าพอได้สี่ห้านาทีนะั่นมันถ้ากับเบิร์ดเจ็ บ, ม, จบมันปวดมากเ hmm. มันปวดสุดสุดสุดเลยก็มันนึกถึงว่าเราจะต้องเร่งพุทโธเพราะพุทโธตอนแรกจำแค่เออเออไม่ได้ให้เร่ง ไปเล่นรื่อยแล้วมันก็ยังไม่เข้าแบบว่าเออเออมือเนี่ยหายไปยังไม่เข้าเนะแล้วมัวดก่อน mm hmm. ก็เลย mm hmm. ก็เลยเร่งเร่งสปีดหน่อยนะแบบพุชชพุชชพุชชนแล้วก็ตักฟันพุชโทนโะปวดขนาดที่ก็แต่ก็พึกสู้นะ mm hmm. ว่าจะรู้จะเอาให้รู้เลยว่าว่าทําไม ว่าว่าถ้าพวกเราตื่โตัมากๆพี่จะช่วยเราได้นะเพราะมันไปตัดตัดความคิดมันทําให้ให้เราเราเจาะที่จบจองนะคะก็ทําไปหน่าอีกสักสิบนาทีนะเพราะว่าพี่ทออย่างเงี้ยจมๆก็ว่าเขาค่อยๆหายไปแ ล, แล้วก็ให้วัดความปวดปวดปวดแบบที่สุดในโลกของโยม แล้วสักสิบสห้านาทีก็ลืมไปเลยว่าเอา้อ่เราเรงมันหายไปไหนก็นั่งต่อไปอีกจนครบสองชั่วโมงแล้วยังไม่เชื่ออีกว่ามันจะหายไปมันอาจตะมาอีกได้ก็ต่อไปอีกครึ่มชั่วโมงมันก็ไม่กลับมามก็เลยหยุดลุกขึ้นแล้ว่าลุกขึ้นมันก็จะตามเรา มัอก็ไม่มีนะคะมัหายไปเลยแล้วมันไม่มีต้องรอยของความเจ็บโวดเลย อ, อันนี้ก็เลยเป็นบทเรียนให้โยมเอ่อเ อ, อเข้าใจเข้าใจว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงหลงว่าี่ใช้บอกโยมก็เลยเอาเอ่อเอ่อทาเชิญบอกเนี่ยมาไว้ที่เท้าอวันที่สองก็เริ่มใหม่ที่สองเริ่มใหม่เอาอย่างนี้คือ เรารู้ว่ามันจะมาเราก็พุทธโทให้มันได้ได้แบบว่าอา่าสปีดให้มันแบบว่ามันไม่ให้อะไรเข้าเลยให้จิตนิ่งนะฮะแต่มันนิ่งแล้วนะฮะมือไม้ขาเขยเนี่ยเหมือนค่อนไม้เลยคือว่ามันไม่มันไม่รู้อะไรกับเราเอา่าเพราะมันนิ่งมากอย่างนั้นนะะกม็มันไม่มาเ่ยมอย่เลย ไม่ปวดเลยสองชั่วโมงทุกรอนะก็ยะถามอาจารย์ว่าตอไปนี้เนี่ยยาโยมมาปลกทรางหือว่ามันสกัดคือว่าหือว่ า, อวายอนี่ต่อสู้กินเลยที่บอกว่าไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บนะก็อามาทำให้มันมันสู้กับมันว่าเจ็บเป็นเจ็บนะ คันรออยู่แม่ไปจะมาก็มาแล้วก็ท่องพิโทโธพิโทโธไปไปแบบฉี่ฉี่แล้วฮ ะ, ะตอนนี้มาปรับก็แับว่าให้มันเสมอการไม่ต้องมันเป็นเร่งแตบบ่ว่าตอนที่มันเจ็บ <Yeah. S 1> ถ้ามันทำพิธันแบบว่าไม่มีอะไรเข้ามาให้มันนิ่งก็อยู่ได้ทำไปได้สามไม่หมดสี่วันมองๆอย่างนี้ ก, ก็ก็เสมอกันไม่เจ็บไม่ อ, อ้ว แต่ถ้าให้มันนั่งอย่างอย่างยวันนิยมขี้วบอกมานั่งกปกตไไิไม่ได้ไม่ได้ภาวนาเนะี่ยค่ะมันจะเจ็บมากและมันก็ตามไม่ได้ขาแขนอะไรก็ไม่มีความเจ็บความปวดเลยแล็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งสบายแม้เดี๋ยวเราคิดว่าพี่ที่ท่านอาจารย์เออแล้วเกิดอีกว่าเดีย๋ยวไปนั่งเบาะนะก็ไม่ช่วยเพราะว่าคือ <laughs> <laughs> เั้ยอมถามว่าก็ทอันนี้ไปถูกทาง น, นะฮะถูกเพื่อให้เราอยู่กับความเจ็บให้ได้เพรา ะ, ะ, ะมันจะต้องมีเวลาที่เจ็บแล้วเราหนีมันไม่ได้เพื่เวลาไม่สบายแต่ถ้าเรารู้จักท ำ, ทำใจให้นิ่งไม่ไปมีอะไรกับความเจ็บเราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะรู้สึกเฉย แม้ Dog, ความเจ็บจะไม่หายไปมันก็จะไม่มาอาละกวนใจเราแต่มันยังไม่ไปนะมันมันแบบว่าค uh, ือคือมันเหมือเราพูดเนี้ยจะมันมีเสียงแววอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะรู้แล้วเนาะเราจะรู้ว่ามันมันยังอยู่นะมันอยู่ในชั้นยังอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่มาทำร้ายเราให้เราอไม่ทําสมาธิให้เรานั่งอยู่ได้ใจเราไม่เใจเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเรา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 ถ้าเรารู้จักทําใจให้เฉยๆที่ปฏิบัติได้เพื่อให้เรารู้จักทําใจให้เฉยๆพอใจเฉยแล้วเราก็ไม่ได้เหลือ่อน้อนไม่ทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายเราก็สบายอยู่อย่างสบายทีนี้อย่างอย่างถ้าคนเราเกิดเกิดเจ็บป่วย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 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตายนันก็ไม่ไม่สะทุกขสะทานทั้งกับความเจ็บไข้ได้ปวยทั้งกับความตายที่จะตามมาปฏิบัติเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารยจากความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายไม่จากความตายของร่างกายก็มีเท่านี้แหละที่ปฏิบัติเนีครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกาย แต่ก็ไม่ใช่เป็น เ, เป็นเป็นปัญหาแค่นี้นะปัญหาอย่างอื่นยังมีอใจเรายังไปทุกข์กับคนอื่นอยู่ทุกเพราะยังอยากได้เขามาเป็นแฟนอยู่เราก็ต้องหาวิธีตัดเขาไม่ไม่ไม่อยากให้เขามาเป็นแฟนเราที่เราไม่อยากให้เขามาเป็นแฟนเราเพราะเราเห็นรูปนั่งหน้าตาเขาแล้วเรา อยากอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาเราก็ต้องมองฮเขาให้เห็นว่าเขาไม่น่าดูก็ดูตอนที่เขาตายถ้านึกถึงตอนที่เขาตายเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอีกเปล่าเวลาเขาตายเราจะเก็บไว้ที่บ้านท่าบอกหรือว่าจะส่งไปที่วัดจะยังจะนอนกับเขาต่อได้ไหม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 อารมที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็หายไปนี่คือวิธีที่เราจะแก้ปัญหาการอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่เล้าเหงาอยู่แล้วว่าเวต้องมีเพื่อนมีมอเขาเรียกมีหมอนข้างเราชอบนอนกับหมอนข้างเราว่าต้องแก้ปัญหานี้ ไม่งนเรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาหาหมอนข้างเนี่ยกลับมาหาแฟนอนี่ย่านอนคนเดียวไม่ได้ต้องมีแฟนนอนด้วยอแต่ถ้าเรามองเห็นแฟนว่าเป็นซากสดนี้เป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยเห็นตับไตไส้ภูงอะองเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาเราก็จะตัดการอารมณ์ได้อื ถ้าตัดการมารวมได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายการที่เรา ม, มาีมามีร่างกายกันเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันมีเพศสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราเห็นร่างกายที่เราจะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวเราก็ถ้านึกถึงตอนนี่เขาเป็นซากศพ ที่ตอนเขาแก่หนังเหี่ยวยน่นไปหมดเห็นแล้วก็มันก็ไม่มีอารมณ์ น, นี้อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาขั้นต่อไปตัดเรื่องกลารอารมณ์แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ภายในใจเรา ใ, ใจเรายังมีอารมณ์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 สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเหมือนกับเวทนาทางรู้สึกทางร่างกายมันก็มาแล้วก็ไปเราก็อยู่กับมันได้เราก็หัดอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เสียก็ถือว่าก็เหมือนกับเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ก็มีสุขมีอารมณ์ที่สุขอารมณ์ที่ไม่สุข ทันทีไปไปได้ยินใครเ้าดา่าเราอารมณ์เราก็เสียละใครดูถูกดูแคลนเราอารมณ์เราก็เสียหรือ ใ, ใครทําอะไรไม่ไมเราไม่ได้นังใจของเราอารมณ์เราก็เสียเราก็ต้องอย่าไปยึดกับมันก็ปล่อยมันเสียไปให้ดูเฉยๆนู่นู่วนวเดียวมันก็ดับไป ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปแก้อารมณ์ของเราด้วยการไปบอกให้คนอื่นก็ททำอย่างนั้นทำอย่างนี้บอกต่อาิ่ทำแล้วก็ไม่ทำอารมณ์เสียเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวว่าก็หายเราอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทอย่างนี้เดี๋ยวอารมณ์เสียมันก็หายไปอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการไปสั่งไปสอนไปขอร้องเขาอะไรต่าง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 คือว่าในสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีเลยจิตมันนิ่งใช่แต่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาเรายในสมาธิเราก็ออกมาใช้ปัญญาไงมันใช้ปัญญาเเอออไม่ให้มีของพวกนี้อยูเราก็จะมีความสุขไม่ให้ไปยุ่งกับเขาไม่ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเขาอยากเราก็นึงมันกลับมาใช้พุทโธนึงกลับมาพุทโธพุทโธบอกเวลาที่เราตื่น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 ามาเปลี่ยนใจใช่ว่าเขาจะเสียงไม่ดีก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราพุโทโธพุโทโธเราดีกว่าเดี๋ยวใจเราเฉยแล้วเสียงเขาจะดีก็มไม่ดีก็ม ไ, มมไม่เป็นปัญหาอะไร ว, วิธีแก้ปัญหาของพวกเราก็คือพยายามทําใจให้เฉยกับทุกอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในอารมณ์เราไม่ดีก็ต้องเฉยกับมันปล่อยมันนะมันปล่อยมันไม่ดีไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปเอง ไม่ต้องไปทําอะไรพาวันตื่นขึ้นมารู้สึกอารมณ์ไม่ดีอะไรนะไม่รู้มาจากไหนนอนหลับไม่พอก็อารมณ์เสียอ า, อารมณ์ก็เสียหรือตื่นขึ้นมาเป็นึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบขึ้นมาก็อารมณ์เสีย เ, ย เ, เสียก็รู้ว่ามันเสียรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือว่าไม่เที่ยง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 เราไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับเขาไม่ได้เสมอไปบางบางเวลาเราก็เปลี่ยนได้บางเวลาก็เปลี่ยนไม่ได้บางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวาสั่งไม่ได้ก็อย่าไปกระทืบเท้าเอาค้อนมาทุบข้าวของแตกพังหมดแล้วมันได้ไง yeah. เวลาไม่ได้เลยดังใจนี่โอ้โหโกรธเข่งมีอะไรใกล้มือจับเข่ง ยับทุบทิ้งหมดได้ประโยชน์อะไรตอนนั้นธรรมะยังไม่เข้ายังไม่เข้าจิตหรือถ้าก็อยู่ใกล้ก็ด่าเลยใส่เลยแยกเคี่ยวใส่เลยนี่คือการไม่มีสติควบคุมใจถ้ามีสติก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบสบาย แล้วแล้วแล้วเวลาทําก็ทําสมาธินะคทำสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งแบบนั่งสมาธินี่มันก็เหนื่ยไม่ใช่นั่งแล้วมันไม่เหนือนเหนื่อยนะก็เพราะว่ากิเลสไม่อยากให้นั่งนี่กิเลสเรามันชอบทำนู่นทานี่มันไม่ชอบอยู่เฉยเฉอเนี่ยแลก็ต้องใช้อย่างจับวันกุศที่แล้ว ทางเทศเรื่องเรื่องพลังทพลังทาเป็นเป็นซูเปอร์ซูเปอร์พาวเวอร์น ะ, ะว่าเราจะต้องใส่ใมันแรงเข้าไปก็สัมพันธ์นี่ก็มีแล้วนะแต่ น, นี้ตัววิริยาตัวความเพียงเนี่ยค่ะความมีเอฟเฟอะไรพวกนี้ เ, เราต้องใส่มเข้าไปแรงผม<ะ>เข้าไปอก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะบัด เปปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงค่ไปไปอยเพิ่มใช่ค่อไปแล้วมันก็จะได้สติมากขึ้นได้สมาธิมากขึ้นได้ปัญญามากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาพอพออสมาพอสติสติแรงขึ้นก็จะทําให้สมาธิดีขึ้นอแล้วก็แล้วก็จะทําให้จิตเนี่ย รวมแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนที่ทําะตอนจิต là, มันเริ่มมันเริ่มถอนออกมาพ่าเราก็เหมือนท่องเทอ่ยจิตมันออกมาแต่มันออกไม่ไหวมันยังหนักอยู่กับตัวเราอืทีถ้าเผื่อเราทำํำแบบแรงๆทําทําบ่อยๆดเงนั้นมันก็จะวุบออกไปมันจะถอนออกไปเลยชัวย่วคราวใช่ไหมเราถึ้เรียว่าเจริรวมจเจรินรวมรวมด้วยสติไง ที่มันไม่รวมเพรากิเลสมันไม่ยอมให้รว ม, ม, วมวกิเลสมันชอบกระจายออกไปทางตาหูจมูกนิ้งกายล้วก็ใช้สติดึงกลับเข้ามามันก็เป็นเหมือนการชักไฟเยื่อกันกิเลสดึงออกสติดึงเข้าถ้าฝ่ายไหนมีกําลังฝ่ายนั้นก็ชนะถ้ากิเลสชนะก็ไปกินขนมไปถ้ากิเลสแพ้จิตก็หลวมเป็นสมาธิ คนใหญ่มันแพ้กิเลสกันน ะ, นะนลุกมาพรุ่งนี้ทำตอ่อนั่งสมาธิแป๊บคึ้นชั่วโพอแล้วไปดูทีวีดีกว่า <laughs> ไปกินกาแฟดีกว่า <laughs> ออมันก็เลยถ้ามันแพ้กิเลสมันก็ไม่ก้าวหน้าถ้ามัน ช, ชนะกิเลสมันก็ก้าวหน้าใจมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นวุ่นวายน้อยลงไม่วุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่ต้องกินไม่ต้องดือดอะไรดือ ม, มากกินมากก็มีปัญหาทางสุขภาพออกร่างกายก็มีไขมันมีน้ําหนักเกิ น, ม, นมีเบาหวานมีอะไรตามมาถ้าปฏิบัติธรรมถ้าถ้ามีสติแล้วก็จะจะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็ไม่อ้วนไม่กินมากเกินไป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 เพรากิเลไม่ยอมให้ทำกิเลสมันจะหลอกให้ไปดูไปฟังไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่นั่นอ่ะเห็นไหมเนี่ย <c oughs> คนเราทําอะไรกันบ้างวันวั น, ว น, วนหนึ่ง <c oughs> นอกจากทํางานเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรกัน <c oughs> มันก็ติดอยู่ยงั้นอ่ะตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาทําอย่างเดิมอ่ะกินมาเที่ยวต่อแล้วก็มาทุกเวลากินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ สมัยนี้มีคนเขาอยากจะฆ่าตัวตายถ้าไปไปเป็นมะเร็งนรืเป็นอะไรเป็นโรคที่หมอรักษาให้หายไม่ได้บอกว่าจะต้องตายในอกเจ็ดเดือนนี่ก็าบอกอยากจะตายก่อนแนละ้วไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหกเจ็ดเดือนอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่แต่ความทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาหนีเวทหนีทุกขเวทนานเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างหน้าใหม่ ค่าตัวตายเดี๋ยวมันก็กลับมาเกินใหม่แล้วก็มาเจอปัญหาเดิมแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยการฝึกสติตังใจเฉยก็อยู่กันมาได้หกเดือนก็ยังมีความสุขได้โรคอาจจะหายไได้หายไม่หายก็ไม่เป็นสำคัญอะไรใช่ไหอนะแต่ก็จะอยู่แบบไม่เดือดร้อนคือยัอยงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีความสุข แล้วก็อยู่แบบไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากหาความสุขจากทางร่างกายแต่ก่อนจะกลับมาก็ต้องไปตกนรกก่อนการฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นบาปทาใจให้ทุกข์มากแต่นี้อันนีความทุกข์กลับไป เพิ่มความทุกด้วยการฆ่าตัวตายวิธีที่จะหนีความทุกข์ก็คือต้องใช้สติอ ย, อย่างเดียวพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดที่จะฆ่าตัวตายปิดความคิดที่อยากจะให้โนกภัยไข้เจ็บหายไปก็อยู่กับมันไปอย่างที่เหมือนเราเวลาเจอทุกขเวทนาเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอใจเราสงบแล้วเราก็เฉยกับมันอยู่กับมันได้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 ร่างกายมันอยู่ได้กับความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเหมือนต้นไม้มันไม่รู้แก่รู้เจ็บรู้ตายเอมันไม่รู้ว่ากระดูกมันเจ็บกระดูกมันก็เป็นกระดูกไปแต่คนที่มารู้คือใจแล้วพอรู้แล้วมันไม่ยอมไม่ชอบโวยไวายแทนโวยวายแทนทุกแทนร่างกายโวยจริงทุกทรมานแทนร่างกาย แต่ตอนนี้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ทรมานให้เราเป็นเหมือนร่างกายร่างกายมันไม่ทรมานใจเราก็ไม่ทรมานร่างกายจะเจ็บก็เราก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปแค่นี้กระจบถ้ามีความอยากอะไรก็ต้องตัดมัน คือถ้าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีก็ต้องตัดถ้าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดอารมณ์ดีก็ไม่ต้องตัดถ้าอยากจะทําบุญอยากจะนั่งสมาธิทําแล้วทําให้ใจสงบนี้ก็ทําไปแต่ถ้าอยากจะกินกาแฟก็อยากไปกินว่ากินแถ้าอยากแล้วมันถ้าไม่ได้กินก็ไม่สงบกินแล้วมันก็อยากจะกินอีกอย่างนี้ความอยากไม่ดีความอยากในรูปเสียงกิ่นรสไม่ดีเ แต่ความอยากที่จะออกจากรูปเสียงกลิ่นรถนไม่ดีฉันอยากจะถือสิ่งแปะอย่างนี้ดีอยากจะนั่งเฉยๆไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรดีถ้าทำได้มันก็จะมีความสุข ตีนน้าำลงใสเนี่ยนะคะพอพิจารณาธาตกินเนี่ยคนจะคิดถึงดินตลอดเวลาทีนี้พอเรามาพิจารณาผมว่ามันเป็นธาตกินเนี่ยมันมันค้างกันดูกก็เลยคิดว่าธาตุมันเนี่ยคือคือของที่มีลักษณะมีรูปร่างพื้ที่ไม่ไมเปลี่ยนแปลงขึ้นมาขึ้นตัวเองไม่ได้อย่างนี้จะได้นะคะเทียบเทียบกับ ธาตุน้ํำธาตุน้ำมันเป็นของที่เส้นไม่คงที่อย่ยไหลเปลี่ยนไปตามรูปล่างมันไหลไปเรื่ยมาเลยค่มันมันเกิดการผักช น, นแล้วพอพูดว่าเส้นผมที่เป็นเป็นเป็นเป็นธาตุดินเนี้ยนะคะไม่ใช่แต่ท่านอกไม่ใช่มนเป็นดินมันมันไม่ได้เป็นดินเล้นไปทิ้งมันไว้สักพักเดี๋ยวมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไป ลูกให้ความนิยามว่าท่าดินคือคื อ, ค, อคือท่าที่มีลักษณะที่เป็นของแข็งมีรูปร่างคงที่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมารูปกระดิ่ไม่ได้อย่างนี้จะใช้ได้ครันมันก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้ทําอะไรคือคือใจมันค้านคะ่ะใจมันทางตัวใจมันค้ า, างใช่ไหมแล้วมันเป็นท่าอะไรอ่ะ คืถ้าถ้าพูดถึงถ้าดินพัดเหตุใจมันจะขิดนึกถึงดินอ่าแล้วผมเนี่ยไม่ใช่ดินนะยังมองไม่เห็นเลยค่ะก็ลองไปเอาไปทิ้งในดินนูแล้วไปดูอย่างนี้ต่อไปมันก็กลายเป็นดินแบนคืคือินนีคือคือดินเหรอคะหรือว่าหรือว่าคือคือมันมันมัใจใจมันไม่พอพบพิจารณาแล้วใจมันไม่ไปเลยค่ะใจมันมันมันมันไม่เห็นด้วย มันทานใช้ใช้วิธีอะไรที่จะมองได้เห็นว่าอย่างชัดเจนว่าเอออย่างผมเนี่ยนะผมผนเล็บฟันอย่างมันมันมันใช่ธาตุินแหละผมผลแล็บันหลังเมื่อเอ็นจะหลุดเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจปวดตัดไปอะไรพวกนี้เป็นธาตุินแหละมันไม่เห็นนะท่านพิการก็าไม่แค่คือคือลูกลูกแค่คําจํากัดความลูกที่ว่าธาตุิน่ะมันควรจะเป็นของของแข็งของที่ลักษณะเคลื่อนไหวไม่ได้ เมื่อเทียบกับาธาตุน้ำน้ำนี่มันาธาตุน้านี่มันเห็นชัดแล้วผมมันเค<ด>ลืล่อนแล้วผมมันเคลื่อนไหวไปไหนได้ล่ะมันเคลื่อ น, นไหวไม่ได้อ่าก็ธาตุดินก็ก็คณบอกว่าธาตุดินเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วผมมันเคลื่อนไหวไม่ได้<ะ>แล้็ทาไมไม่ใช่เป็นธาตุดินเนี่ยใช่อย่างนั้นได้ใช่ไหคะด ก, กิิปนงแบบนั้นแลค่ะไ่นได้อคถามด้วย่คือ คือเวลาพิจารณาก่าใจมันค้านผลมันค้นคือที่ให้เห็นว่าเป็นดินน้ํำลมไฟก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนเท่านั้นแหละผมนี่มันมีตัวตนหรือเปล่าอ่าก็ฐานนั้นแหละที่จะไปเอาอะไรกไนก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเลยแล้วยังเป็นตัวเราของเราอยู่อ่ไม่ใช่ลองโกนทิ้งไปเลย ว่าใครจะหวงถ้าถ้าใจยังหวงอยู่ก็ยังแสดงว่ายังถือว่าเป็นของตัวอยู่อา่อาให้ดูจะได้ปล่อยวางไม่ให้ยึดติดงไงยังยึดแตส่วนไหนของร่างกายอยู่หรือเปล่ายังยึดยังยึดขนยังยึดผมหรือเปล่าต้องไปเปลี่ยนสีมันหรือเปล่าต้องให้มันเป็นสี ตามที่เราอยากได้หรือเปล่าอันนี้ก็คยอเห็นว่ามันร่างกายนี้มันมาทามาจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มาจากส่วนที่แข็งก็เรียกว่าดินส่วนที่เหลวก็เรียกว่าน้ำส่วนที่ร้อนก็เรียกว่าไฟส่วนที่มองไม่เห็ น, น, นที่เป็นลมนี้ก็เรียกว่าลมลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นลม มันมนสี่อย่างมารวมกันมันก็เลยมาผสมทําให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้ อ, เ ป, น เ, นอเป็นเอ็นเป็นกระดูกซึ่งผมเมื่อมันก็ไม่มีตัวตนขนมันก็ไม่เป็นตัวตนเล็บก็ไม่มีตัวต น, ตวตนองการทั้งสามสิบสองที่รวมกันเข้ามาในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนชั้นเดียวเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เอรทำตัวเราก็ผิดติดตอนนี้คือตัวไหนก็ที่ไปยึดมันอะตัวนั่นอะมันไม่ได้เป็นร่างกายจะเรียกว่าตัวจิตตัวรู้ตัวคิดก็แล้วแต่ไอตัวที่เรากําลังสอนเนี่ยไอตัวที่กําลังโง่อยู่เนี่ยตัวที่ยังไปคิดว่าไอร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอให้มันอย่าไปยึดเอย่าไปติดมัน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 ให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราก็ร่างกายคนอื่นเรารู้เปล่าเป็นตัวเราของเราฮะร่างกายของนี่ของเรานี่เป็นของคุณเปล่าอ่าแล้วคุณก็ไม่ยึดไม่ติดมันใช่ไหมร่างกายนี้ตายไปคุณก็ไม่เดือดร้อนไม่ใชก็ก็ให้ดูร่างกายที่คุณกําลังมีอยู่นี่มันก็เหมือนเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนะแต่คุณไม่เดือดร้อนเองเพราะคุณยังถือว่าเป็นของคุณอยู่เป็นตัวคุณอยู่ ก็ให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นตัวคุณถ้าคุณไม่ได้ร้อนกับร่างกายของคุณอื่นคุณก็ไม่ควรจะดูดร่างกับร่างกายของคุ ณ, คณ อ, อ, อ่ะอสุภะมันก็จะช่วยตัดการาอารมณ์ไงตัด ก็ถ้าดูอาการ32มันก็ไม่ยึดติดมันก็มันก็มีแต่อาการ32เห็นไหมไม่มีตัวเราของเราอยู่ในผมก็ไม่มีตัวเราไม่อยู่ในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกก็อย่างนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นสักแต่ว่าอาการ32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 เราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะอยู่เราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ปล่อยวางเท่านั้นรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปทุกข์กับมันที่ทุกเพราะอยากให้มันอยู่ไม่อยากให้มันไปเอี่ีพิจารณานี่เพื่อให้มาหยุดความอยากเท่านั้นแหละความอยากที่เกิดจากความหนองคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราให้พิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นขอ ง, ของยงอืมมาจากดินาน้ํามลมไฟดินาน้ํามลมไฟเป็นตัวที่เป็นตัวประกอบเป็นตัวที่สร้างให้เกิดอาการสาิบสองนี้ขึ้นมาข้าวที่เรากินเข้าไปใช่ไหมน้ําที่เราเดื่มเข้าไปเนี่ยข้าตกับธาตุดินใช่ไหมถ้าข้าวมันมาจากไหนแล้ไม่มาจากดินข้าวมันมาจากลมหรือเปล่ามันไม่ได้มาจากลมมันอาจจะมีลมเป็นส่วนผสม ธาตุทั้งสีมันต้องมาผสมกันเพื่อจะเกิดเป็นแต่ธาตุไหนเป็นเป็นตัวธาตุหลักคือข้าวนี้มันมีธาตุดินเป็นธาตุหลักแต่มีน้ำมีอะไรมาผสมจึงทําให้เกิดเป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาแปงจากดินมาเป็นเมล็ดข้าวก็ต้องมีน้ำมีลมมีไฟมาผสมกันความร้อนนี่ความร้อนแสงแดยถ้าไม่มีความร้อน ต้นขั้วโลกเหนือนี่ไม่มีความร้อนปลูกต้นไม้ได้เป่ามีแต่ต้มีแต่หิมะมีแต่น้ําแข็งถ้าไปทะเลทรายก็ไม่มีน้ําอีกแล้ก็ปลูกไม่ได้ปลูกข้าวได้ปล่าที่ทะเลทรายมีแต่ดินกับลมกับไฟแต่ไม่มีน้ําถ้าไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็มีแต่น้ําอมีแต่ดินมีน้ํามีดินมีมีฝั่มีลมแต่ไม่มีไฟ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 แต่ในน้ำนี่มันก็มีธาตุดินผสม อ, อยู่ใช่ไห ม, มในเลือดมันก็มีอาหารมีมันมีธาตุดินเหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นธาตุน้ํำส่วนนมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าออกนี้มันส่วนใหญ่มันก็เป็นธาตุล ม, มนมงนธาตุดินก็มีฝุ่นติดเข้ามาบ้างมีละอองมีอะไรที่อยู่ในอากาศที่เราดูดเข้าไปแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นธาตุลม ทน้ำที่เราเดินเข้บน้ำที่น้ำาสรนี่มันก็เป็นท่ า, าน้ำมก็ยังมีมีมีเกลือแร่อยู่นิดหน่อยมปนท่านดินผสมก็มาน่แต่มันน้อยมากาเวเรดกินน้ำบไฟที่เราช้ น, นา น, น, มนไม่ไม่ไปรายละเอียดอย่างทางวิทยาศาสตร์มันเป็นมนเรื่องก็มันก็แล้วแต่เราจะมองไงมันก็ว่าทานอนเขาแบบว่า ที่เนี่ยคือเป็นเป็นธาตุเป็นเป็นธาตุาอย่างทางทางเคมีมีโปแตเซียมแมกนีเซียมมีธาตุเล็กธาตุท็อปอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปดูถึงขนาดเขาให้มันเขาใ้มันเป็นเป็นของแข็เมืราจับดูเนี่ยของเราแข็งไปดูมันทําไมก็เห็นชัดๆเนี่ยต้นไม้คุณปลูกเนี่ยมั น, เ, นวเวลาคุณปลูกผักปลูกต้นไม้เนี่ยคุณใช้อะไรปลูกอ่ะใช่ไหม มันต้องใช้ดินรึเปล่าใช้น้ำรึเปล่าแล้วมันก็นดูดซับปุ่นไอแล้วมันก็กลายเป็นผักขึ้นมาเราคุณกินเข้ามาในร่างกายมันก็กลายเป็นผมเป็นขอนเป็นเล็บเป็นฟันขึ้นมามันก็เห็นชัดชัดอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปโพแทสเซียมไป <c oughs> อะไรให้มันว่าวอกข้อแตกเลยถ้าเราเจรนานี้ทุกวันแล้วจิกมันจะบลอยยาวไปรู้วเราต้องมีทับงห ถ้าอถ้ามันเข้าใจมันก็ปล่อยมันมันคือมันมันจะปล่อยเพราะว่าถ้ามันไม่ปล่อยมันทุกข์ไงมันจะมันทุกที่มันจะปล่อยเพราะว่าถ้าไปยึดไปติดแล้วมันทุกข์เวลามันจะไปเนี่ยเรามันถ้าเราไม่อยากให้มันไปเราทุกข์ไหมเวลาหมอบอกว่าต้องเอาพักตาออกแล้วใช้ตาไม่ได้เนี่ยก็จนกระทั่งเราไม่ลืมอ่ะ ถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็หยุดได้ไม่ต้องคิดถึงมันถ้าเราจําได้ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเราไม่ยึดไม่ติดแล้วมันก็จบแต่ถ้าเรายึดเราติดเวล่เราทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราเราหลงเราลืมแล้วแล้วก็ต้องมาสอนใจใหมว่ว่าไอ้เป็นของเขานะก็ามาขอคืนแล้วเจ้าของเดิมก็มาขอคืนแล้วไปยืมดินน้ําลงไฟมาตอนนี้ยินน้ำลมไฟบอกฉันขอกลับเอาคืนแล้ว คมัวระงับสติกับอสุภาพให้ค่อนข้องแบบทุกวัเลยหมือว่าพุยเรืาทุกวักวให้มันใจมันปล่อยวา ง, างถ้ามันปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปแต่ถ้ายังดูแลรักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามแล้วไม่รักษาก็ได้รักษาก็ได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปถึงจุดที่รักษาไม่ได้อยู่ดี บางคนขี้เกียจรักษาก็ไม่รักษามันตั้งแต่ขนาดยังรักษาได้หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่วัดกันท่านไม่ไปรักษาโรงพยาบาลเพราะท่านขี้เกียจมารักษาวันนี้หายเดี๋ยวอีกสองวันมันก็เป็นใหมเ่เนี่ยก็เลยปล่อยมันไปอยู่ไปตามธรรมชาติของมันยันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปเพราะในที่สุดมันก็ต้องไปคนที่ยินดีจะปล่อยแล้วก็จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้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 ก็บางทีก็ต้องบังคับมันถ้ามันไม่ยอมเราก็ต้องพูดโธพูดโธเหมือนดึงดึงมันกลับมานะะที่ให้มานั่งพูทโธพูทโธเพื่อบังคับไม่ให้มันดื้อตอนนี้มันดื้องายอ่าทย่ให้พูดโธก็เพื่อจะได้แก้ความดื้อของจิตเอพอเราพูทโธพูดโธมันก็ไปยึดไม่ได้มันก็ต้องปล่อยพอปล่อยเราถึงจะเห็นประโยชน์ของการมีพุทโธว่า พอ oh, สบายเนี่ยวะ่ะเนี่ยแต่ตอนต้นนี่มันมันทุกข์เพราะว่าพุทธมันไม่ยอมให้เราพูดธโถอีกอ่ะพอจะพุทธโถมันก็มันก็แสดงอาการอุดอัดขึ้นมาแล้ว <c oughs> อ่าง่นยเลยมันต้องมีมีประสบการณ์ถือว่าคือว่าให้การดื้อร <c oughs> <c oughs> ือว่าเราต้องเห็นผลว่าผลให้การดื้อเนี่ยเราได้อะไรขึ้นมันไม่ได้เลยก็ได้ความทุกข์ไปได้ความทุกข์เราก็ อย่างไรก็ยังเปลี่ยนได้ทั้งๆที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังดื้ออยู่นะเด็กบอกว่าอย่าไปเสพยาเสพติดมันก็ยังดื้อไปเสพอย่นีะแต่ทีนี้พอมันได้ผลว่าเสียหายกับตัวเองก็พยายามแก้ถ้ามีปัญญาก็จะได้มาเห็นการขอไปแต่งหน้าเยอะหน่อยแต่งน้าจะเหี่ยวไปทำจะมูก หมูกรดอะไรนี่นะฮะมันต้องมีผลนะถ้าต้องใช้ปัญญาดูแต่บางทีมก็ต้องไปลองนะฮะคนที่อะไรที่ไม่ดีไม่ดีที่เกิดขึ้นเขาอยากลองอยากลองดีจช่วยไม่ได้คนที่อโอ้แล้วมันจะติดัดใช่ไหมมันติดตัดมันแน่นมันติดอา่าเร่อ ถ้านั่งดูหนังไม่อึดอันดคารองคารองคาราวเกะคาราอเกตนี่อึดอัดไหมเวลาคาราอเกะเดือดอึดอัดน <c oughs> <c oughs> ะเพราะมันไปทําในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เลยอึดออ่าใช่ อ, อ, ชอ่ก็อยากไม่สนใจมันพยายามฝืนมันทําไปแล้วเดี๋ยวพอมันพอมันยอมแพ้มันก็หายอึดอัดเองไไอ่าอ่าต้อง คือเราพเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะรู้สึกขยะกขยงจะรู้สึกอึอดหัดต่อต้านขึ้นมาท่านนีอ่าขึ้นไม่หมดแต่พอให้ไปทําของที่เราชอบนี่โหมันเหมือนนกบินเลยใช่ไหมมันอ่ก็ต้องพยายามฝืนไปทําไปใหม่ๆมันก็จะยากเพราะว่ามันจะเกิดอาการรู้สึกเะไรผู้อืดนผองค์กินไม่เข้านะ เกอถ้าถ้านั่งขัดสมาดได้มันก็ดีเพราะต่อไปมันจะจะได้นั่งได้นานถ้านั่งเก้าอี้นี้บางทีมันนั่งแล้วเดี๋ยวตัวมันจะเอ็นไปเอ็นมาไล่แล้วมันจะล้มได้ mm hmm. ถ้านั่งท่าขัดสมาดนี้มันจะเป็นท่าที่ทําให้ร่างกายนี้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ล้มแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้จะนั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้แถ้าอยากจะนั่งานานๆต่อไปก็ต้องเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดสมาด เพรนั่งท่ากสมาธมันสบายกว่านั่งที่เก้าอี้เนนั่งที่เก้าอี้ไปนนั่งไปสักพักเดียวมันก็จะเอนได้เวลาพิจารณาร่างกายโดยสวดตามฝนต่างๆเนี่ยขณะเดียวกันมีเกิดความปวดเขาทึ้นมาก็ทำพุ่งเป็นโลกเกี่ยวกับข่าวค่ะคิด จิตม nice <The ันจะหันกลับมาพิจารณาความผิดที่อันทีพิจารณาดูร่างกายปล่อยวางถ้าปล่อยได้ก็พิจารณาปล่อยได้ค่ะแต่แต่แต่ไอ้การที่พิจารณาเราพิจรณาร่างกายแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาเวทนาได้จากเวทนากลับมาพิจารณาร่างกายอย่างนั้นได้ไหมคะได้ได้ได้อันไหนเป็นปัญหาก็แก้ปัญหาตัวนั้นไปก่อนร่างกายที่เราพิจารณายังอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะยังไม่ตายอืม พอเวลาตายนี้เราก็ต้องปล่อยวางร่างกายเราก็ต้องปล่อยว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอ่ไม่กวนก歪ไม่ทุกข์กับอะไรเออไม่ต้องรวมอันนี้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องการให้มันรวมต้องการให้มันหายทุกข์เท่านั้นเองให้ต้องการให้มันเฉยไม่ไม่เดือดร้อยกับความเป็นความตายของร่างกาย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 เราเราต้องหยุดพิจารณาเรื่องอื่นแล้วมาพิจารณาเรื่องที่กําลังทําให้เราทุกข์เพื่อให้เราปล่อยวางมันให้เรายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวเที่ยวปิดเที่ยวอ่ะปิเที่ยวเลยอ่รปิเที่ยวว่ะเกอร์คิดว่ามันเหมือนยาเสพติดไง ก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็ทุกข์แต่ถ้าไม่ติดเที่ยวอยู่บ้านสบายไม่ทุกข์ก็ดูที่ความทุกข์กองอยู่ว่าถ้าเราเที่ยวถ้ามีเงินเที่ยวมันก็ไม่ทุกข์แต่พอันเงินหมดมันไม่ได้เที่ยวมันก็ทุกข์อีกเพราะความอยากเที่ยวมันไม่ได้หมดไปกับเงินแล้วก็อาจจะต้องไปทําหาเงินโดยวิธีไม่ชอบอย่างนี้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 มันเงินก็จะหมดมันก็ต้องหาเวลาหาไม่ได้ก็เครียดขายของแล้วไม่ได้ของไม่มีคนมาซื้อก็เครียดอย่างตอนนี้พัทยาเครียดกันทั้งเมืองก็ก็ให้ปิดก็ <c oughs> ให้ปิดปิดบาร์ผับกันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยเครียดกันเพราะว่าธรรมดาจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันไปเล่นไปกินกันทีนี้มันไม่รีนะ ไม่มีรายได้เข้ามาแขกไม่มากันเพราะว่าพะสั่งให้ปิดบาร์ปิดบาระไรกันเนี่ยก็เลยเครียดกันนะทุกนันก็ต้องมองอย่างนี้ว่าเป็นทุกการไปเที่ยวไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขการไปเที่ยวเป็นการไปหาความทุกในระยะยาวตอนต้นมันสุขอย่างที่วันก่อนเทศได้ฟังมันเป็นสุขต้นสุขตอนต้นแต่มันจะไปทุกตอนปลาย ทุกตอนที่ไม่มีเงินเที่ยวหรือทุกที่ตอนที่แก่แล้วไปเที่ยวไม่ได้ก็ตอนแกปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติถ้าตอนนี้มันปฏิบัติไม่ได้ตอนแก่มันจะปฏิบัติได้อย่างไรมันก็ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยกีิเลมันชอบหลอกเราแล้วไปไหนไม่ได้ ใจยังไม่พาเลยนะมันบอกเช้าแคนะเงก็ไม่ไหวไม่ไหวถ้ายังมาได้ก็ยังถือว่ามีบุญบางคนไม่ไม่ยอมมาเลยเพราะว่ามาวัดก็ลงบากเห็นัหนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบจะกินจะอะไรมันก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านเนี่ย เชฟของหลวงตาปัวช ouais. ุดเตรียมพร้อมนะคะนันจากที่ป่วยเกี้ที่แล้วกลับไปก็เริ่มฟังที้รก็ฟังเข้าใจมัางไม่เข้าใจบ้างกหลังนี้ฟังพอทานชี้ว่าท่านติมังฟง่าใช้ใช้สิ่งที่ท่าใช้การสอนแบบแปใหม่ยเทียงนี้ท่านพูดถึงเรื่องเอจิตเดิมเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่จะพัดสอน ไปอยู่ในวัตฏะแล้วก็จิตจิตบริสุทธิ์จิตของไสแจะอยู่ในวิวัฏฏะมันมีความแตกต่างกันไห ม, ค, มคือจิตเดิมก็จิตที่อยู่ในสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเดิมเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ดึงจิตให้กลับก็ไปอยู่ที่จุดเดิมของจิตะคือจุดจุดที่จิตสงบนิง่งสักแต่ว่ารู้ อันนี้เรียกว่าจุดเดิมจิตเดิมแต่จิตเดิมนี่มันก็ยังมีกิเลสอยู่มีความโลภโกรธหลงอยู่มันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเวลาที่เราออกจากจิตเดิมออกมามันก็จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายแต่จิตที่บริสุทธินี่เป็นจิตที่เอาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆออกไปหมด เขาเรียกเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่ไม่มีตัวที่จะดึงไปให้เวียนว่ายตายเกิดก็ เ, เรียกว่าวิวัวิวัตะ์นะวัตต์ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดวิวัตต์ก็คือการไม่เวียนว่ายตายเกิดจิตที่บริสุทธินะ์นี่นะคุครับเป็นจิตที่แค่กับว่าไอ้นี่ยังปฏิบัติไม่ถึงนะคะท่านอาจารย์ก็แต่ถาม <c oughs> แต่แต่แต่อยากอย า, ากทราบเพราะฟังแล้ไม่เข้าใจคือคือ จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยตอนตอนที่เราพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะคะเราลึกเวทนาเนี่ยเราเราพูดว่าร่างกายเป็นดินน้ําลงไปปวดแตกแตกแตกแตกแต่เราคือพลาดรู้หรือจิตเนี่ยนะคะแยกกันไปเพื่อให้เห็นชัดเจนแต่ตอนนี้พอพอพอพอผ่านพวกนี้แล้วผ่านรูปประขันนามปขันแล้วก็จะมาถึงจิตที่ สว่างแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะถึงจิตพอมันบริสุทธ์แล้วเนี่ยจิตตัวนั้นเป็นธาตุรู้เฉยๆแล้วมีเจ้าของไหมคะไม่มีแล้วหรือเป็นแต่เฉพาะธาตุรู้เฉยเฉยเลยจิตของพระอรหันต์นี้ถ้าาสร้างเเาป็นเป็นเป็นเป็นตัวของท่านหรือเป็นอะไรนี่หรือไม่มีแล้วท่านท่านเข้าใจเขาใจไหมคะ จิตจิตทุกเดิมมันไม่มีเจ้าของเพียงแต่กิเลสมันไปครอบครองเองว่าเป็นไปนเป็นเจ้าของขึ้นมาเองเพอทําลายกิเลสหมดแล้วมันก็ไม่มีใครมาครอบครองเป็นเจ้าของเหมือนร่างกายนี่เรากิเลสมันมาครอบครองว่าเป็นของเราพอเราปัญญามาสอนว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของนินน้ำลมไฟเราก็หยุดกิเลสมันก็หยุดทําหน้าที่ครอบครองกิเลสเนี่ยก็ตายไป เพรกเลตายปลอยหมดมันก็ไม <zept crates> ่ม <Jazz> ีใครมามามครอบครองร่างกายไม่มีใครมาครอบครองใจใจก็เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้ไปเท่านั้นเองเฉยเฉโดยที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรก็มาเห็นก็เห็นธรรมดาไม่มีอารมณ์ได้ยินก็ได้ยินธรรมดาไม่มีอารมณ์ใช่ไหมคะก็เป็นธาตุรู้ที่ที่ที่ที่อยู่อย่างนั้นไม่มีกิเลสที่จะทําให้ไปเกิดใหม่ไม่มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความหลง ผ้ใจหพัของ็อย่างของเป็นอย่างจิตเดิมเป็นพระพัดสอนเวลาเราเข้าสมาธิจิตมันสว่างสงบแต่มันยังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่แต่ส่วนจิตบริสุทธิ์นี่เป็นจิตที่เราดับชระกิเลสด้วยการเจริญวิปัสสนาัดความอยากกับสิ่งต่างๆให้หมดไปความอยากไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเรา ขอความอยากความหลงที่ไปยึดไปติดสิ่งต่างๆว่าเป็นราของเราหมดไปติดก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วที่ขั้นพระอาจารย์ที่หลวงตาบอกท่พูดว่าพอพอผ่านผ่านลูกมะขันนามะขันแล้วเนี่ยจิตมันจะสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาจะไม่จะมีอวิชชาอ่าเป็นกิเลสตัวละเอียดไงตัวที่ยังไปเป็นเจ้าของความสว่างสวายนี้อยู่ แล้วเรายังรู้ไม่ว่าเป็นจิตเราสักอย่างเรายังรู้ว่าเป็นจิตของเราที่มาเราก็รู้ว่ามันเป็นจิตแต่เรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราอ่าอ่าเราเรารู้ว่าเราไปอ่าเราคือมันมันไม่ได้เป็นของเราเราจะไปไปว่ามันเป็นของเราได้ยังไงแล้วแล้วเมื่อมันไม่มีตัวเราเราจะปจะไม่มีอะไรเราไึ้นมา มันก็จะ ม, ม, มันจะไปรู้ว่าเคยชื่ออันนี้อะไรยเงี้ยไม่รู้แล้วใช่ไหมรู้<ส>พระพุทรู้พระพุทธเจ้าอย่างรลืชาติก่อนได้อันนี้มันเป็นสัญญาเป็นความจําชาติก่อนเคยเป็นพระเวสสันดรเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพระอันนี้มันเป็นสัญญาอันนี้ก็รู้ได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่เกี่ยวกับบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ คนที่จําได้จิตมันนอกจากมันตัวรู้แล้วมันมีตัวคิดตัวจําด้วยไงไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตายไปแล้วฆ่านั้นก็ยังรู้ว่าตัวนี้นมีสัญญาจําอยู่ใช่ไหมคะมีเพียงแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ไปใช้ทําอะไรเท่านั้นเองมันไม่ต้องไปจํากับเรื่องอะไรไม่ต้องไปจําวันที่ต้องจ่ายจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ไม่ต้องไป จ, จ, จํ า, าจว่าคน <c oughs> นี้เป็นแฟนเราคนนี้ไม่ใช่แฟนเรา เมื่อมันอยู่ตามลำพังมันไม่ต้องมีมันก็ไม่ต้องใช้ความจําไม่ต้องใช้ความคิดมันก็อยู่ไปเฉยๆสักแต่รู้ไปก็เหมือนตอนที่เราอุเบกขาของเราไปอุอเบกขาหอย่างเดียวอะไรจะมาะรจะไปก็เรื่องของเขาสุภพุทธเจ้าขั้นก็ขั้นรู้อะจิตตรงเนี้ยจิตตรงเนี้ยไม่ใช่ของท่านแต่ว่าเป็นจิตเป็นจิตใอ่ ก็รู้เป็นตัวรู้ไงก็เวลาอยู่ในสมาธิก็รู้อย่างนั้นเ่็นไหมสักวแต่ว่ารู้ท่านไม่เป็นรู้ของคนอื่นะทาไม่เป็นรู้ของคนรู้ท่านจะท่านจะไปติดต่อคนคนหนึ่งก็ได้ถ้าท่านมีอภิญญาคนกาลังด่าท่านอยู่ในใจท่านก็รู้ด่าใชู่้ถ้าท่านถ้าท่านเปิดเครื่องเหมือนเราเปิดมือถือเราก็เราเปิดลายแล้วก็รู้ พอ เ, เปิดไลน์เปิดมาดูอาวทิภายมึง ด, ด่าเราเลยวะวิอถามว่าถ้าน้องอคิดถึงวาารู้ถ้าเราไม่เปิดเครื่องเรา <c oughs> ไปรับเราก็ไม่รู้ <c oughs> ส่วนตัวใช่ไหมฮะส่วนตัวถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องส่งจิตไปไปดูที่จิตเขา อันนี้แต่บางองค์ท่านก็ไม่ส่งเพราะว่าบางทีมันไม่เป็นจลิตของท่านท่านไม่อยากจะสอนรู้สอนเทนี่ก็เลย <c oughs> แต่พวกจิตที่ชอบสอนรู้สอนเห็นี่มักจะไปรู้อ <c oughs> ย่างจิตหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไปรู้จิตของพระที่อยู่ภาวนาอยู่ท่านอยู่บนเขามีหลวงตายลุ่มท่านภาวนาอยู่ตีนเขาเวลาหลว ง, งปู่มั่นท่านนั่งสมาธิท่านก็ส่งจิตไปดูจิตของหลวงตาที่อยู่ตีนเขาก็เห็นท่านกำลังคิดถึงลูกคิดถึงก็ ทั้งทั้งที่ปจจัยไม่ต้องนั่งสมาธิเลยใช่ไหมคะอนนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่เราไม่ได้นราพูดถึงเรื่องของคนอื่นกสะจิตหรอกสะจิตอ่ตไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ก็รู้ใช่ไหมอนนี้ก็ต้องทํเอาเองเหมือนคุณ <laughs> มันต้องมีพลังจิตมันถึงจมันต้องมีสมาธิก่อนมันจะรู้ได้ทีนี้มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสมาธิเพราะถ้าอยู่ในสมาธิมันไม่รับรู้อะไรไงเขียนมันต้องออกมาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ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 แเราที่ได้รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกบ้านได้อยู่ที่นอกจิตได้แต่ไม่ใช่รู้ผ่านทางร่างกายละรู้รู้ผ่านทางจิตโดยโดยอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ากงค์กอนชื่ออะไรอ่ที่ไหนท่านสามารถติดต่อกันได้ไหมอย่างท่านจะมาดูได้ยังไงเพราะว่าท่านมีปัญญาท่านสามารถส่งจิตไปถึง จิตของพระเจ้าองค์ถัดไปถัดไปถัดไปได้ท่านเลยบอกเออันนี้ก็เรียกอภิญญาการปฏิบัติเพื่อดับกิเลสเราไม่ต้องใช้อภิญญาเราใช้อัปปนาสมาธิให้จิตเฉยวางเฉยอภิญญานี้ดับกิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ในเวลาผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องอภิญญาเสียเวลาเพราะมันไม่มีกําลังสู้กิเลส แล้วดีไม่ดีมันจะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสไปกิเลสมันจะเอาเพญญามาใช้เป็นเครื่องมือให้กับกิเลสเช็นคนมีอมีตาที่ผูทิบเดี๋ยวก็มาทํางานเป็นหมอดูแท น, นแทนที่จะไปปฏิบัติไปบวชไม่บวชละเป็นหมอดูได้เงินเยอะกว่าไปไปบวชเป็นพระก็เลยก็ออยังอยากจะมีแฟนยังอยากจะมีครอบครัวอยู่ แล้วทนที่สบายแล้วมีมีวิธีหาเงินแล้วเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงแฟนได้ก็ไม่ต้องไปบวชเ mm hmm. นี่ยสำหรับปัญญานี้ไม่ดีสำหรับผู้ที่จะมุ่งสู่การหลุดพ้นเวลาปฏิบัติถ้ามีพิญญานี้ต้องอย่าไปยุ่งกับมันดึงใจกับเข้าข้างในปิดหน้าตา่างอย่าไปออกไปสนใจออกไปรับดูเรื่องที่มีอยู่ในโลกทิพย mm hmm. ์เวลาเปิด เปิดใจออกมาอยู่อุปจารสมาธิเหมือนกับเปิดเปิดหน้าต่างเพื่อไปรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์เรื่องวิญญาณของคนนั้นคนนี้วิญญาณของเทวดาวิญญาณของเปรตของอะไรนี่ท่านติดต่อได้หมดแล้วก่อนที่จะได้อุปจารสมาธิมันต้องได้ปุถุพันธะก่อนรึเปล่าก็ต้องจิตต้องรวมก่อนต้องได้อปปนาก่รแล้วแต่มันไม่อยู่มันได้งออกมา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 สู้กอนไม่ได้ไม่พูดกันเนี่ยปฏิบัติกันได้หรือเปล่าชอบรู้กันเรื่อกันการตัดกิเลสมันดีกว่าการมีอภินยา เพราะว่าอภิญยามันก็เป็นของใปรับรู้อะไรเสร็จแล้วมันก็ปะหานไปไม่รู้ว่าใครเขาคิดอะไรมันก็เท่านั้นความจริงไม่รู้มันอาจจะทำให้เราเสียใจได้เพราะเราหลงรักเขาแต่เขาในใจเขากลับไม่รักเราเลยอย่างเงี้ยใชู่ <c oughs> ้อย่าไปรู้ดีกว่าในใจเขาจะคิดยังไง <c oughs> คิดแล้วจะมาเสียใจ ส่งจิตไปเทไรก็เขาด่าเราทุกทีส่งมานะเรื่อยตอน้าแสนหวานใช่ใช่เงยั้ น, น, นมันมันเป็นทุกข์เปล่าๆอย่าไปมีอภิญญาดีกว่าอภิญญาก็แก้กรรมไม่ได้นมันพระมรนะุกคลาะมีอภิญญาเหาอเหินเดินอากาศได้แต่ก็หนีกรรมไม่ได้หนีผู้จองเวรจองกรรมไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็หนีเทวทัศน์ไม่ได้ เศรษาทก็มาจองเวรจองกรรมแต่พระพุทธเจ้ามีอุเบกขาท่านก็เลยเฉยฮะมึงอยากจะทำอะไรก็ปล่อยมันทำไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเองฮะพอพยายามฆ่าพุทธเจ้าสามครั้งไม่สำเร็จมันก็หมดกำลังแล้วก็มาได้สติว่าตัวเองทำผิดอย่างมหาศาลทำทำร้ายผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับตนเองก็เลย จะไปกราบขอข้ามาระหว่างทางก็เลยถูกแผ่นดินสู่ไปก็เลยถวายกลารเป็นอพุทธบูชาไป อ, าอันนี้แล้วพระอาจารย์คะโลกทิพย์ตอนอยู่ตรงไหนคะก็เหมือนกับโลกพระอาจารย์เนี่ยมันอยู่คนละมันมันอยู่คนละมิติไงมันอยู่คนละมิติตอนนี้เราอยู่สองเราอยู่สองโลกใจเราอยู่โลกทิพย์แต่ร่างกายเราอยู่โลกกธาตุ แต่ใจเรามาเชื่อมต่อกับโลกธาตุด้วยวิญญาณเนี่ยวิญญาณทั้งห้าจากขววิญญาณโสตะวิญญาณเนี่ยเราส่งใจนี่มันจะมีวิญญาณเช่นเป็นเหมือนกับสายโทรศัพท์ที่เราไปเชื่อมติดหรือหรือสัญญาณวิทยุอะสัญญาณโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นอย่างเงี้ยอ่มันติดต่อกันอย่างสัญญาณโทรศัพท์นี่เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมอ่มันก็เป็นอยู่ของมันอีกโลกหนึ่งครับอยู่อีมิติหนึ่ง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 มันมาทางทางโลกทิพย์เนี่ยเราจะไปเขบอกเขบอกว่ามันไม่เป็นมันมันเป็นสิ่งที่เราพูดไม่ได้ไงว่ามัเราคนละมิติกันแต่มันเชื่อมกันได้จิตเชื่อมกันร่างกายด้วยวิญญาณวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาก็มารับภาพวิญญาณทางหูก็มารับเสียงวิญญาณทางลิ้นก็มารับรสวิญญาณทางจมูกก็รับกลิ่น วิญญาณทางร่างกายก็มารับสัมผัสร้อนหนาวเอแข็งนุ่มอย่างนี้เหมันกับพออะไรมาแตะร่างกายปั๊บจิตมันจะรู้ทันทีว่าอมีของมาแตะและวของพอเสียงปั๊บมันก็ได้ยินทันทีพอกลิ่นสัมผัสปั๊บมันก็รับรู้ทันทีตัวร่างกายนี้ไม่รู้เลยที่วมันสัมผัสอะไรมันเป็นเหมือนกับกล้องเนี้ยกล้องมันไม่รู้ว่ามันถ่ายอะไรหรอกแต่คนที่ดูกล้องนี้จะรู้ว่าออ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 อยากจะกินอะไรอยากจะสัมผัสกับขนมนมเนยกระพงกาแฟก็ต้องใช้ร่างกายนี้แต่แล้วจิตก็เป็นผู้รับรู้เอออร่อยก็เลยกินเยอะๆ <c oughs> ร่างกายเลยต้องเป็นคนรับเคาะไปกินกาแฟมากเกินไปก็นอนไม่หลับกินน้ําตาลมากเกินไปเบาหวานก็ขึ้นเจ็บคไายได้ป่วยก็ที่ร่างกายแต่จิตก็ทุกไปกับมันเพราะว่าจิตมันต้องไปเจอกับเวทนาของร่างกาย ความเจ็บปวดของทางร่างกายร่างกายไม่ทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายเองเพราะร่างกายไม่มีความรู้สึกรับรู้แต่ผู้ที่มาทุกก็คือจิตที่มารับสัมผัสรับรู้ตอนนั้นก็รับรู้แต่สุขใช่ไหแล้วอยากจะดูอะไรชอบก็ก็สุกเวลากินอะไรที่ชอบก็สุขเนี่ยที่เวลาร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาที่นี่มันทุกข์แลสิพอทุก์ก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแทนที่จะทําให้ใจสงบ ให้นิ่งก็ไปกับอยากให้มันหายห้ยหาหายทุกข์เพรายิ่งอยากให้มันหายทุกข์จิตก็ยิ่งเครียดขึ้นไปใหญ่ยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ทรมานขึ้นไปใหญ่เ<ม>นี่ยเราจึงต้องมาใส่คําสอนขอพระเจ้าให้สอนให้เรารู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ภาพพวกนี้มันเป็นาภาพธรรมชาติาทุกอย่างมันก็มีอยู่แค่นี้ยในโลกนี้ แลออย่างี้ืวธรรมาของมันอย่างเนี้ยอืมก็มันธรรมชาของมันเนี่ยมันแเราเราเอาิไปของมันแค่นั้นเองใช่แล้วเราไปเลือกไงเราไปไปรักไปชังเราไปรักไปชังขึ้นถ้าเราไม่รักไม่ชังมันก็ไม่มีปัญหาพอไปรักไปชังเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์่แต่แต่เราไม่ยอมให้มันทุกข์สิเราอยากจะให้มันสุขอย่างเดียว พอสุขหายไปแล้วก็ทุกขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งทุกในใจไม่ได้ทุกที่ร่างกายที่จริงเราไปแก้ไขมันไม่ได้ทุกสุขอะไรทุกอย่ามันอยู่อย่างนั้นกับมันก็เราก็แก้อยู่ด้วยแต่เราก็คายแก้อยู่เร <c oughs> ื่อยเดี๋ยเรา <c oughs> จิตไปจำมนันเองก่อนร้อนก็ไปติดแอร์กันแล้วพอไฟดับก็แอร์เสียก็ปวดหัวกันทุกกันขึ้นมาเพราะแก้ไม่ได้ แ ก, แก้แก้แก้ที่ปลายเหตุเราไม่มาแก้ที่ต้นเหตุความคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นใช่ไหมเอามันก็คิดของมันไปคิดบ้างคิดถูกบคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดแล้วก็ทําให้ดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกบ้างสุขบ้างจริงมันเป็นของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นใ่ไหมกินค้าตามธรรมชาติของมันอยูอย่างนั้นแต่ความคิดมันเป็นอาการของใจที่ใจสามารถควบคุมได้อื สามารถควบคุมความคิดได้เช่นพุโทโธพุโทโธก็หยุดมันได้ <c oughs> หรือให้มันคิดไปในทางที่ทําให้ใจสบายก็ได้คิดไปในทางที่ทําให้ใจทุกข์ก็ได้ถ้าคิดว่าเป็นของเราก็จะทุกข์ถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นของเรามันก็จะไม่ทุกข์น <c oughs> ี่เราอันนี้ใจควบคุมความคิดของตนเองได้แต่ไม่รู้จักควบคุมา <c oughs> <c oughs> ุก็จะหดอออ่ยไปเ ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปแต่ก็จะหายแบบชั่วคราวพอกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อถ้าอยากจะให้หายแบบไม่ทุกข์อะไรก็อย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดอีกแบบหนึง่งคิดแบบไม่ทุกข์ตอนนี้เราชอบคิดแบบทุกข์กันชอบคิดว่าเป็นของเราแล้วก็อยากให้อยู่กับเราไป็นนานๆพอไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา เ้าก็ไม่อยู่กับเราเราก็ไม่ทุกข์ให้มาเปลี่ยนความคิดใหม่แต่ก็ยังเป็นความคิดดีๆเป็คิดกลับกันอคิดกลับกัน อ, อคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแฟนเราเ น, นี่ถ้าคิดว่าเป็นของเราสบายเยอะเขาจะไปเที่ยวกับใครไปนอนกับใครแเราก็จะเฉยเออแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราฮะไม่ได้แล้วไปนูน่นไปนอนกับใครเดี๋ยวก็บ้านแตกสลายขาดเนี่ยเพราะเราไม่ยอมเห็นไหม แดม่รู har, ้ ok ion, ัวอ ka <ged> no ่คท่านอาจารย์บอกว่าร่างกายเี่กิดเป็นเจ็บไข้ผยเนี่ยนะควคนเนี่ยมันรับว่ากายเจ็บนะคะแต่จริงๆในจิตเนี่ยมันไม่ใช่รักงายเพราะฉะนั้นจิตมันได้นางเจ็นใใช่้เจนมันสร้างความเจ็บขึ้นมาด้วยความความอยากไม่ให้มันเจ็บไงเพราะว่านจิตมันว่า่างกายปไ ความเจ็บของร่างกายนจิตรับได้เป็นแต่พูดโทพูดโทให้เฉยมันก็อยู่กับมันได้แต่พอแต่ที่มันรับไม่ได้ก็คือทนไม่ได้คความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากที่เราไม่รู้ว่ามันเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแต่พอเรารู้เรามาหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้แบบอุเบกขาแบบเฉยๆไปวามเจ็บ ความสุขความทุกข์ของร่างกายเรามันไปบังคับมันไม่ได้บางทีบังคับได้บางทีบางไม่ได้บางเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาปวดท้องขึ้นมาเฉียบพลันนี้ไปไปสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราอยากไปอยากให้มันหายถ้าเรารู้อันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจิตของร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตเึงแต่รับรู้ท่านั้นเองแต่ไม่ยอมรับรู้หรืออยากให้มันหายไปหรือไม่ก็หลงผิด หลงใช่ไหมคิดว่าคิดว่าเป็นจิตเองเข้าใจนะครับขอบคุณเข้าใจเข้าใจจำแนกแล้วนะมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตจิตเป็นเพลงผู้รับรู้ด้วยวิญญาณที่เรียกว่ารักไอ้วิญญาณที่มาเกาะเกี่ยวเรื่องการรับรู้อาการของร่างกายอืมรับรู้ภาพก็เจ็บได้ใช่ไหมแต่เห็นภาพไม่ดีเห็นรือเห็นภาพที่แสงสว่างจ้าขึ้นมาอย่างนี้ มันก็ทำให้เกิดความเจ็บทางร่างกายใจก็เกิดไปนัางเกียดไปอยากให้มันหายไปมันก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าทนรับดูไปมันสว่างก็สว่างไปช่าง ม, มันใจก็จะไม่เจ็บใจก็พยายามรักษาอุเบกขาอย่างเดียวให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นลดผด พ, พะ ท, ทุกกันเพราะไม่มีอุเบกขาเพราะมีรักมีชงังมีกลัวมีหลงเพราะไม่มีอุเบกขารักชังกลัหลงที่เป็นกิเลสมันก็จะออกมาทํางานทัน ท, ทีที่เราปฏิบัติพยายามปฏิบัติทั้งหมด เ, เพื่อที่ให้มันเป็นอุเบกขาเพราฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราปฏิบัตถถิถึงไม่ว่าจะถึงขั้นไหนก็ตามจะรู้ด้วยตัวเองถูกไหมจ๊ะคะ คือเมื่อคือถ้าใจเรายิ่งใจเรายมันมันเป็นอุปเเกรดะเนี่ยเราคิดว่าเออไอนี่ถูกนะเออมันมันไม่ทุกข์ไงอย่างที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนทุกข์กับความเจ็บของร่างกายใช่ไหมแต่อันี้ไม่ทุกข์แล้วอ่เพรารู้จักวิรู้จักวิธีทําให้มันไม่ทุกข์ใช่ไอมก็คือทําใจให้เฉยพุทโธพุทโธไปพอพุทโธมันก็จะไปรักไปชังไม่ได้ไปกลัวไปหลงไม่ได้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 ทีนี้เรามาศึกษาธรรมชาติของร่างกายต้รารู้ว่ามันต้องเป็นในช้าก็แล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราจิตเป็นคนดูก็ดูไปเฉยๆเป็นคนดูหนังเลยเวลาร่างกายตายก็เหมือนหนังจบหนังจบคนจิตก็ออกจากลงไปออกจากร่างกายไปแตมแต่ถ้ายังมถ้ายังยังอยากอยู่ก็ไปหาลงโงใหม่ดูไปหาร่างกายละ หลังมาดูใหม่เอแล้วก็มาตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกายอันใหม่ต่อไปคนที่ฉลาดบอกขี้เกียจ ด, ดูว่ามันหนังหลอกเราเนี่ยมาอย่างที่วันนั้นก็ถามคนที่ถามว่าอะไรที่เห็นแล้ไม่จริงไงของทั้งหมดที่เราเห็นผ่านทางวิญ ญ, ญาณนี่มันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นเหมือนเงาเป็นเหมือนหนังค่ะคนที่ดูคือคนจีนของจริงคนดูของจริงก็เพราะคนดูนี่ไม่มีวันตายไม่มีวันเปลี่ยน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 พอ เ, เห็นอะไรแล้วมันจะรักจะชังจะกลัวจะหลงขึ้นมาใหเราต้องต้องมาฝึกอุเบกขากันด้วยการทำใจให้สงบด้วยการหยุดความคิดด้วยการใช้พุทโธพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลงไม่ได้พอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมันก็ดูอะไรได้อย่างสบายดูหนังผีก็ดูได้อย่างสบายไม่ต้องปิดตรงปิดตา พ่อรู้ว่ามันอยู่ในจอมันไม่มันไม่โผงมาฆ่าเราหรอกหรือถ้าร่างกายก็มันก็แค่มันก็แค่ตายมันเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องตายคืออย่างนี้เมื่อก่อนนะหนูดูไอ้นี่ยรูปภาพถตุก้าดูไม่ได้เลยนะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้ทำไมดูได้เรื่องราบังคับมันก็ดูได้เมื่อก่อนก็กลัวผีด กงคก็นั่งดูอันนี้ยัอันนี้อนั่งดูตลอดทำไมใจมัน่กลัวก็ฝึกมันไงฝึกให้มันให้มันมีสติไม่คอยควบคุมความกลัวไงไม่ยังฟังอฟังฟังม้นะิยแล้วก็อทุกวันนะคะฟังให้มันจาได้อ่อไปก็ต้องไปดูของจริงอนูตรงนี้ไปดูสร้างสมดูอ ก็ยังแสดงว่ายังกลัวอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆ่อยปิดแหม้วอาจารย์ดูมรณานุสติขนาดเทิดอุศระบ่อยยังยังสวยอยู่อย่างนี้เลยครับอาจารย์ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยตัวนเห็นเฟซบุ๊กสวยตลอดเลยไรรอะ ก็ต้องทําไปตามขั้นขั้นแรกนี้ก็เห็นภาพไม่กลัวแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเห็นของจริงเนูแต่ผนยังเพลินอยู่กับการกินนะคะหนลืมเวลากินไม่ลืมไม่ดูตอนที่มันอยู่ในท้องมั้งเลย ก, ก่อนจะกินก็คิว่านางังของเรื่องนี้มันจะต้องเข้าไปในปากเรานะต้องเข้าไปในท้องเรานะเราก็เปิดดูนะเขาเรียกอะไรนะอ า, อาหารปฏนะิกูล แต่ยังดูไม่ได้ไม่กล้ดูแต่อาจจะพาดที่ดูได้แล้วก่อนดูไม่ได้เลยน่ากลัวมากเออสาบปิ้นไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้ดูได้หมดเลยค่ะหมายถึงหมายถึงว่าจิตมันแข็งขึ้นมีสติมีเบญขามากขึ้นแต่ยังไม่ครบร้อยยังไม่ครบทุกเรื่องทุกอย่างยังไไเพิ่งมาได้ปีเดียวเองเพิ่งรูปบันหนึ่งเย้าขึ้นลูป อาจารย์ครับช่วงช่วงนี้ครับเอ่อคนไทยนักกันได้ครับเดินครับพระอาจารย์ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านครับแล้วรบเอ่าของพระอาจารย์เมตตาให้สติคนมากเลยครับเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านด่ากันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วหมดแล้วครับตอนนี้ก็มันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันไม่มีอุเบกขาเนี่ยมันมีรักมีชังมันก็มันพออะไรคิดไปพอมันเห็นอะไรที่ทําให้มันชังมันก็อาละวาดใส่ เห็นอะไรที่ทําให้มันกลัวมันก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับสิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้สักแต่ว่ารู้ไงเห็นอะไรแล้วต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นกับสิ่งที่รับรู้ขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติเราอย่าไปเปลี่ยนมันเองเขาเป็นนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแล้วก็จะเป็นนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายเพราะนี่เป็นธรรมชาติของโลกแล้วก็ทําได้แต่กลุ่มเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยพวกที่มาสนใจ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 เราก็ไม่รู้เหมือนกอันเราไม่รู้ก็ลองไปค้นดูเลยลองไป ค, ค้นกูในกูเกิลดู <c oughs> ของคนนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่สาคัญอขอให้รู้เรื่องความคิดของเราแค่นี้ก็พอหรือว่าเราหยุดความคิดของเราได้หรือว่าเราหยุดความนักชางกลัลงได้แค่นี้เราก็จบละขอใหูเ่อวดขรานี้ก็อาดความได้อรวนกลัวหไน้ ก็ ค, คิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนแล่ละไม่ว่าอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ที่นี่ก็ต้องตายเหมือนกันถึงเวลามันก็ต้องตายอ่าก็มีสองทางเลือกก็อยู่ต่อไปหรือย้ายที่อยู่ยยแต่ย้ายไม่ได้ก็อยู่ไปย้ายก็ตายเหมือนกันไม่ย้ายก็ตายเหมือนกันนั้นจะทําให้เราใจเราสงบไม่วุ่นวายก็ต้องยอมรับความตาย ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันอ่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาการคิดว่าเป็นอ น, นิจจ์รนะ่างกายเป็นอ น, นิจจ์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรามันถึงวันหนึ่งมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมมันมาจากดินดน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันก็ขอคืนไปดังนั้นเองเราอย่าไปยึดไปติดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมตายเราอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆ อกอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นคนบริสุทธิ์ก็ตายาที่เราก็ไม่กล้าจะทำอย่งไรเอนบบอน้าสำบุนขออนุญาตเดี๋ยวบอกน้องพี่ไปรอที่ศาลาก่อนนะอตอนนี้<อ>ยังไม่สะดวกออก็ทำอาชีพก็เพื่อตายเท่านั้นเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรหรอกอด้ไหมทําไป ก็อยู่ไปทําให้อยู่ได้นายาวหน่อยมีอาชีพก็อยู่ได้นานนานหน่อยถ้าไม่มีอาชีพก็ตายเร็วหน่อยตายช้าตายเร็วมันก็ตายเหมือนกันตายแล้วมันก็กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนปัญหาก็คืออยู่ที่การมาเกิดอย่ามาเกิดสิจะได้ไม่ต้องมามาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทํามาหากินให้เหนื่อยยากเปล่าออถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้นั่งกายเป็นเครื่องมือหาความสุข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 ไ ม, ไ, ไม่บัดไม่บวชกันเลย <c oughs> แล้ย่วก็มาบวชงัน <c oughs> คนที่ก็บวชก็เหมือนก็บวช ก, กันนะสบายจะตายน้ําก็ฟรีไฟก็ฟรีข้าวก็ฟรีที่อยู่ก็กฟรีคนทีคิด <c oughs> แบบนี้นคิดเหมือนกันสมัยนี้ก็คิดแบบนี้ลโลกโลกเดียวกสมัยบ้าที่จะเกิดเหมื <c oughs> อนเดิมยังคิดอยู่อย่างเนี้ยไม่พ้นก็พ้นแต่เฉพาะคนที่ไม่คิดเนียก็ไม่ได้มาเกิดไงพระพุทธเจ้าก็ไม่มาเกิดละ พวกที่มาเกิดก็ยังคิดแบบนี้อยู่พวกที่ไม่มาเกิดก็ไม่ได้คิดแบบนี้แล้วรู้รทุกอย่างเลยท ำ, <laughs> <laughs> ทำได้กำลังขานทำได้เลยคนหนึ่งก็ทำได้ทำไมเรามาทำไม่ได้ดะ น, นะาาอ่ถ้าเราสู้ไม่ถอยเราก็ต้องชนะเราก็ต้องได้สร้า ง, งวันนึง เออนั volta, PTSD, enrolled, right, <laughs> <laughs> ่นแหละก็เล yes, ิกเที no ่ยวเสรติดเที่ยวก็เลิกเที่ยวติดอะไรก็เลิกเหมือนกันนั่นเองเออเออน้อยก็ไม่เป็นไรน้อยน้อยไม่น้อยไม่เกี่ยวกันจิตมันไม่มีอายุอยู่แล้วที่ที่อายุมันเออก็เห็นสุอสุภะอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยจะโชว์อะไรแต่สบถหลงเยอะแล้วนะอ่าอืออ่ามีทางคําสามทางบ้านตรงไหม เี๋ยวเวลาไม่มากอ่าอ่อ่สัก 2, องาถามจากคุณจิตรมณีการนั่งสมาธิเมื่อเกิดความสงบสบายในขณะนั่งและจะให้ดีคันออกจากสมาธิเคยได้ฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาทางบ้านว่าควรพิจารณาต่อด้วยปัญญานั้นหลักการพิจารณาด้วยปัญญาควรน้อมอย่างไรคะเวลาออกจากนั่งสมาธิ ก็ให้ไปพิจารณาสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจที่ทําให้เราไม่สบายใจเช่นถ้าเรายังทุกข์กับเรื่องเงินทองอยู่เราก็ไปพิจารณาว่าเงินทองนี่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้ <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็อย่าไปใช้มันอย่าไปอาศัยมันเลิกใช้เงินใช้ทองหรืใช้เท่าที่จําเป็นมันก็จะไม่มีปัญหามากที่เรามีปัญหามากเพราะเราใช้มากเกินความจําเป็นเราก็ต้องหามาก หาไม่ได้ก็ทุกข์ก็เครียดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีความสุขจากนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวกันเราก็จะลดการใช้เงินทองลง <c oughs> จะใช้เงินทองแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมันก็ไม่มากมายอะไรกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้แล้วถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุข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 ปฏิบัติสมาธิเยอะๆแล้วจิตจะตื่นตัวตลอดเวลาขณะนอนจิตก็ไม่หลับรู้สึกตัวตลอดเวลาทําให้ร่างกายเหมือนไม่ได้พักผ่อนจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็อย่าทำเสดเวลาจะนอนก็อย่าไปทําสมาธิเความจริงที่มันนอนไม่หลับมันไม่ใช่อยู่ที่สมาธิหรอกมันอยู่ที่ความคิดบ้ากว่าถ้าเราปล่อยให้ใจคิดมันก็จะนอนไม่หลับแล้วเราก็ไปโทษสมาธิความจริงมันไม่ใช่สมาธิหรอก เนลาจะนอนหลับเราก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดไปเดี๋ยวมันก็หลับถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็จะไม่หลับคงถามจากคุณกันที่สุดของการนั่งภาวนาโดยโทนต่ออาการเหน็ดชาเจ็บปวดของร่างกายคือการได้รู้ว่าร่างกายกับจิตแยกกันเด็ดขาดใช่หรือไม่ครับ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 การท่องพุโทโธนการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆท่านั่นเองเราไม่ต้องการให้ใจคิดคิดแล้วมันไม่สงบคิดแล้วมันวุ่นเรยต้องมีอุบายวิธีที่จะทำให้เราไม่คิดคำ ถ, ถามจากคุณกนกพรขอให้ท่านอาจารย์ช่วยพูดถึงเรื่องกรรมของผู้ที่คิดจะค่าตัวตายว่าการกระทาเช่นนี้ต้องไปใช้กรรมอย่างไรบ้างคบ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 สุดแล้วสุดนี้ก็พอก็แล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแ ล, วแล้วเดี๋ยวก็มีพระมารออกีกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพอแล้วเนี่ยจะปิดนะนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติ